ปาทาวาทถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาถาตุธรมมะทิตาธรรมะนิยามตาอิทัปปัจยตาเพราะความที่ประตัตาคฏทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมชาตินั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเดียว กขคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมะรับพรุณโดยมีข้าพเจ้าพระ มหาภัยบณ์อาภิปุณโนเป็นผู้ดำเนินรายการในทุก ว, วนนี้เรามาฝึกปฏิบัติในชนิดที่เป็นรูปแบบคือการนั่งสมาธิคือในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีคือช่วงเวลาก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นสักตีสามตีสตีห้า เราควรจะลุกตืนขึ้นมาแล้วเมื่อในยามสุดท้ายเรารู้สึกตัวขึ้นแล้วก็มาทำสมาธิกันเดี๋ยวันนี้ให้เราเจริญธรรมานุสติคือการตามระลึกถึงธรรมะธรรมะมันก็มีทั่วไปธรรมะคือธรรมชาติธรรมะไหนธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว นจึงเรียกว่าเป็นสวากขาตธรรมวันนี้เรามาใกล้กรวนธรรมะในหัวข้อที่ว่าธรรมะที่ว่าถึงแม้พระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นมีอยู่แล้วทีนี้พอท่านอุบัติขึ้นมาเจอธรรมะนี้คนพบแล้วว่าโอ้เหตุเป็นอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้จึง่าบอกสอนไว้ด้วยปัญญาอันยิ่งว่า ไม่ใช่ปัญญาธรมาธรมดาธรรมดาแต่เป็นปัญญาอันยิ่งบอกแสดงเปิดเผยจำแนกแจกแจงบัญญัติแต่งตั้งทำให้หงายขึ้นเปิดเผยขึ้นว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันต้องอาศัยสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนั้นมันจึงจะเกิดเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาได้ สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโนอนสิ่งใดนั้นคืออะไรก็ทุกส <out> <ốc> <th> ิ่งอะไรทุกว่างที่เราเห็นทุกสิ่งอย่างที่เรารับรู้สัมผัสได้เห็นได้ได้ยินได้รืมรดได้คิดนึกได้ทั้งนามและรูปทั้งหมดดันดันเรียกว่าเป็นกฎที่มีความตายตัวเป็นความตั้งอยู่อย่างเป็นธรรมชาติขอมันเป็นอย่างนี้ ที่มันต้องอาศัยอะไรอะไรแล้วจึงเกิดขึ้นอย่างไรอย่างใดอะไรอะไรก็ตามหมายความว่าไงนี่หมายความว่ามันมีความขึ้นกับสิ่งอื่นไงคือลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนของมันเองที่เดียวแต่มันต้องอาศัยสิ่งอื่นแล้วจึงเกิดขึ้นอาศัยสิ่งอื่นนี่คือยังไงก็คือมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยอันใดนหนึ่งปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเหตุเงื่อนไขปัจจัยแล้วมันจะทําไม ก็สิ่งใดก็ตามที่พต้องอาศัยเหตุสิ่งอื่นเกิดขึ้นเป็นอ น, าตานัตตนี้มันก็จะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่มันจะเกี่ยวข้องกันมาคือมันจะทนอยู่ในสภาพเดิมของมันที่ว่าถ้าเมื่อเหตุเปลี่ยนไปแล้วการคงอยู่ในสภาพเดิมมันจะทำแต่อยากเพราะว่าเหตุมันเปลี่ยนไปแล้วไงพอมันเปลี่ยนไปแล้วจะให้มันเหมือนเดิมมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามอย่างเช่นน้ําแข็งอะ น้ำแข็งมันเป็นก้อนเป็นของแข็งภาษาอีสานคนลาวเขาเรียกว่าน้ำก้อนเพราะมันแข็งทำไมมันแข็งได้ท่านก็อุณหภูมิมันต่ำกว่าศูนย์องศาสิ่งที่เป็นน้ำเป็นของเหลวมันก็กลายเป็นของแข็งขึ้นมาทีนี้ว่าเหตุมันมาอย่างนี้ที่อุณหภูมิใช่ปะถ้าเราเอาน้ำก้อนหรือน้ำแข็งมาตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องความดันปกติ ใช้มันทนอยู่ในสภาพความเป็นของแข็งเหมือนเดิมเนี่มันไม่ได้วันนี้เราใกล้กรุนทําเรื่องนี้นะคิดไปเลยคิดตามไปเลยจดจออยู่ที่ความคิดเรื่องนี้อย่างเดียวบางคนอาจจะใช้คําว่าทำโมทำโมขึ้นมาด้วยก็ได้ไม่มีหัวนาะได้หมดเราใกล้กรุนดูว่าถ้าเอาน้ําแข็งมาตั้งไว้ที่อุณาภูมิห้องความดันปกติ แล้วจะให้มันทนอยู่ในสภาพเหมือนเดิมคือความเป็นของแข็งเหมือนเดิมเนี่ยมันจะทนได้ยากมันจะทนไม่ได้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นน้ำธรรมดาเป็นของเหลวออกมาก็ธรรมดาว่าท่านก็คือมันก็ละลายไงใช่มันละลายเป็นไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมเพราะเงื่อนไขปัจจัยเหตุของเขาเปลี่ยนแปลงไป ความดีเมันทนยูนินสภาพเดิมได้ยากท่านเรียกคํำนี้ว่าเป็นทุกข์ทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากเป็นทุกข์เพราะมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยทุกข์ในธรรมวังมันมีหลายแบบทุกข์แบบ ท, ที่ทนได้ง่ายๆก็มีกับทุกชนิดที่ทนได้ยากเช่นทุกขเวทนาเอา้าคุณเจ็บไข้ได้ป่วย มีปัญหาเรื่องการเงินการทองมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์มีปัญหาชีวิตโอ้ทุกทุกทุกทุกอันนี้ทุกอยู่มันเป็นทุกที่ทนได้ยากด้วยสร้างปัญหาก็เราด้วยทีนี้ทุกที่ท น, นง่ายก็มีเช่นความสุขไงสุขเคยนากินอาหารอร่อยๆฟังดนตรีพระพระไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เออนี่ก็เป็นสุขอยู่นะแต่สุขเวยนาคือทุกนั่นแหละที่มันทนได้ง่ายหน่อย เอาทำไมท่านถึงว่าเป็นทุกข์อ่ะก็ทุกข์ในลักษณะของมันในลักษณะที่ว่าถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปใช่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ความทนไม่ได้ได้ยากนั้นคือทุกข์คือมันกินความหมายกว้างกว่าทุกขเวทนาทุกขเวทนามันทนได้ยากสุขเวทนาก็เป็นทุกข์เหมือนกันแต่เป็นทุกขชนิดที่ทนได้ง่ายทั้งสุขเวทนาและทุกขเวทนาต่างก็มีทุกขลักษณะ ทุกขลักษณะคือความที่ว่าถ้าอาศัยเหตุแล้วมันเปลี่ยนแล้วมันเกิดแล้วมันมีแล้วมันดับไปเหตุของทุกขเวทนาก็คือภาษาแห่งมีภาษาชนิดเป็นฐานที่ตั้งแห่งความทุกขเวทนาทุกขเวทนามันก็เกิดขึ้นอาศัยภาษานั้นหรือถ้ามีภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขมากระทบด้วยอาศัยเหตุคือภาษานั้นสุขเวทนาก็เกิดขึ้น เหตุของเขายังอยู่สุขเวทนาหรือทุกขเวทนานั้นก็ยังอยู่ถึงมีภาษาที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมากระทบก็ตามทีนี้ถ้าภาษานั้นมันหายไ ป, ไปถ้าไปเอากระตุ้นต้มน้ําอยู่จนน้ํามันเดือดปุดๆพอเอาไฟออกไปใ้ความเดือดปุดๆนั้นมันก็าหายไปเหมือนกันว่าพอเราเอาภาษะ อันเป็นฐานที่ตั้งแห่งสุขหรือทุกออกไปสุขกเวทนาหรือทุกขเวทนานั้นก็หายไปดับไปลักษณะเนี้ยมันคือเป็นอนัตาลักษณะแบบเนี้ยคือสิ่งที่ทนอยู่ในชอบเดิมได้ยากเมื่อเหตุเปลี่ยนเรียกว่าเป็นทุกขลักษณะวันนี้เราคิดเลยคิดใกรกรวนไตรตรอง ด้วยจิตที่เป็นสมาธิเป็นรรมเดียวใคลรครวรไตรตรองในธรรมะที่พระพุทธเจ้าค้นพบค้นเจอเนี่ยแหละเราให้ท่านจะมาตรัสสรุก็ตามหรือไม่ตรัสสรุกระทำก็จะมีช่วงเวลาที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเขาเรียกว่าเป็นสุญญ์กับคือช่วงเวลาที่มันโอย หวงเหว่งห่างว้างวองแวงมันหาสาระไม่ได้ธรรมะมีอยู่แต่ไม่มีใครมาบอกสอนทําปฏิบัติให้มันดีได้ธรรมะที่ค้นพบเจอแล้วมาบอกสอนปฏิบัติให้ดีได้นั่นคือสิ่งที่เป็นทุกเนี่ยแหละมาค้นพบเจอว่าทุกเนี่ยมันมีอยู่มันคิดคิดคิดว่าเอ๊ะมีทุกเนี่ยเพราะอะไรทําไมคนเรานเนี่ยถึงมีทุก เขึกก้นได้ทุกไม่ว่าจะทนได้ง่ายหรือทนได้ยากทุกคนมีหมดคุณยายคนนี้ก็ทุกข์มากเหลือเกินคุณป้าคนนั้นก็โอ้ยมีปัญหาเยอะเหลือเกินพี่ชายนั่นก็โอ้ดั่นนี่นอนโอ้ยมีปัญหาน้องชายคนนี้ก็โธ่ทําไมหน้าสงสารขนาดนี้ใครจะเลี้ยงใครจะทําอะไรยังไงให้ไม่เว้นแม้แต่พระเจ้าประสงฆ์สามเณรชีพราหมณ์ ก็มีความทุกข์เหมือนกันหมดท่านก็นมาคิดนะธรรมบวชท่านก็นมาคิดนั่งอยู่ใต้ต้นโพริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราคิดใกล้กรวนไตรตรองข้าพเจ้าว่าบางทีบางครั้งคิดเนี่ยเอาเท้ากายหน้าผากเลยแหละมันยังไงนะยังไงนะคิดพยายามที่จะคิดให้ออกให้ได้ ว่าเอ๊ะทำไมมันมีทุกข์ขึ้นมาทำไมคณเรามันทุกข์ได้ทำไมทำไมทำไมทำไมคิดสิคิดสิคิ ด, คดไตรตรองใกล้ครวูว่าโอ้ทุกข์นี่มันมันก็มีอยู่ของมันอย่างนี้แหละเราเอามาเป็นของเราต่างหากมีทุกข์ได้เพราะเหตุคือตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นเหตุจึงมีความทุกข์ ก็มีตัณหามันไปทุกข์ได้ไงเวลาที่จิตใจของเราถ้ามีตัณหาท่านผูฟังคือความทะยานอยากมันจะมีความยึดถือคืออุปาทานความยึดถือหรืออุปาทานนี้ไม่มีในที่ไหนอื่นนอกจากในความทุกข์นอกจากในขันห า, านั้นทุกข์เนี่ยคืออะไรคือขนนนออออันหานี่แหละเห็นเกิดทุกข์คืออะไรคือตัณหาเนี่แหละ เวลาคนเราจะทุกข์ก็อยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นความคิดนึกของเราบ้างแต่ไม่เราทุกข์เองเป็นสิ่งภายนอกบ้างแต่ไม่เราทุกข์บ้างความทุกข์ทั้งหมดนั้นคือขันหานี่แหละนะหาสาเหตุเงื่อนไขปัจจัยของเขาคือเหตุเกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาเอามีตัณหาแล้วมันไปทําให้ทุกข์ยังไงทุกข์จริงๆของก็มีอยู่แล้วใช่ไหม พอมีตัณหาปุ๊บมันจะมีความยึดถือว่าทุกนั้นนะ่ะเป็นของเราเป็นของเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราพอเราเอาทุกนั้นมาเป็นของเราเราก็ทุ ก, กันดีก็แล้ถ้าเราไม่เอาทุกมาเป็นของเราเราก็ไม่ทุ ก, กันดีร่างกายของเราเนี่ยถูกยึดถือมาแล้วยึดถือด้วยอะไรอุปทานไงความยึดถือคืออุปทานอยู่ที่ไหน อยู่ในขันห้าไม่นอกเหนือจากกันห้านั้นพอมันยึดกันมันจะรู้สึกว่าเป็นตัวตนขึ้นมานทันทีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราเพราะมันมีสิ่งสะสมเราเรียกสิ่งสะสมนั้นว่าจิตจึงเหมือนกับว่า ม, มีจิตมายึดถืออุปาทานในขันห้านั้นไอ้ความรู้สึกว่าเป็นตัวเรานั่นคือจิตไงรู้สึกว่าจิตมายึดถือถึงจริงๆแล้วคือมันยึดถือของมันเอง มันยึดถือ ก, กันเองพอยึดถือ ก, กันเองแล้วเราจึงรู้สึกว่านี่เป็นตัวตนขึ้นมานั่นคือพบพบคือความเป็นสภาวะพอมีความเป็นสภาวะแล้วจิตมันมันอยู่ตรงนั้นมันวุดขึ้นมานทันทีแต่จริงตอนแรกมันไม่มีอะไรนะจิตไม่มีอะไรนะไม่มีนะแต่พอมันยึดถือแล้วมันจึงมีความเป็นสภาวะขึ้นมาสภาวะแห่งการสั่งสม สภาวะแห่งการตกตะกรนไอสภาบานี้เราจึงเรียกว่าเป็นจิตขึ้นมาเกิดมาภายหลังจากการปั้นน้ำเป็นตัวอยู่ๆจริงๆไม่มีอะไรไปไวเหมือนกับพยับแดดพยับแดดภาษาอังกษ์เรียกว่ามิราจคือภาพลงตาภาพลงตาที่เกิดขึ้นอยู่ในทะเลทรายหรือเวลาที่มีแดดร้อ น, อ น, อ น, อนๆเวลากลางวันบนพื้นถนนข้างหน้า มันจะเหมือนกับ ว, ว่ามีอะไรวุดว้ดวุดว้วอยู่เหมือนเป็นน้ำเจิงนองอยู่ตรงนั้นมากขนาดว่าเข้าใช้ว่าโอ้ท่นเป็นโอเอซิสเป็นแหล่งน้ําเป็นประสาทราชวังโอ้เราไปตรงนั้นดีกว่าไอ้การที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยตอนแรกมันไม่มีไงท่าฟังไม่มีภาพดวงตานี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากความร้อนเกิดจากมุมสะท้อนของแสงทำให้เราเห็นกลายเป็นว่าเหมือนมีอะไรแต่จริงไม่มีอะไร ยิงว่างเปล่าสร้างออกจากอากาศเฉยๆที่ไม่มีอะไรเลยจิตเราเป็นอย่างนี้เอาทำไมถึงมาเป็นอย่างนั้นได้ทำไมเราถึงมาเข้าใจสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาได้เพราะความยึดถือไงทุกฝัง่งเวลาเรามีความยึดถือคือปาทานมีความทยานอยากคือตัณหาในสิ่งที่เป็นขันห้าทั้งหมดะ ความทุกข์มันจึงเกิดรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราจิตก็อยู่ตรงนั้นความทุกข์ก็อยู่ตรงนั้ น, น, นสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นอนัตตาเราะม่ต้องอาศัยเหตุเกิดทั้งสิ้นแะแต่ทำไมเราไปเข้าใจสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาได้สิ่งที่มันเป็นทุกข์ว่า น, นี้เป็นสุขได้ทำไมเราไปเข้าใจสิ่งว่าไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้ พอมันเป็นของเราเราก็อยากให้มันจะเป็นเหมือนเดิมอ่ามันก็เที่ยงแล้วเนี่ยไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงให้มันคงอยู่ตลอดอานนันคือเป็นนัตาน่ะเราเข้าใ้สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนันตาว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงที่เป็นสุขเป็นนัตาขึ้นมาเพราะอะไรคิดดูพระบริจาก็คิดนะตอนเป็นบริษัทคิดคิดคิด โอ้คุณเราเนี่มันมีความทุกข์เพราะเหตุเกิดทุกคือจะทุกข์ได้มันต้องมีเหตุนะ่ะอเฮ้เกิดทุกข์คืออะไรออตันหามีตันหาก็มีอุปาทานกล่าวลงไปในสิ่งที่เป็นทุกข์จึงรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราเราก็จึงรู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกับสิ่งนั้นเราก็เป็นทุกข์ขึ้นมาทำไมเราถึงไปเข้าใจสิ่งที่เป็นอนัตตาว่ามันเป็นอัตตาขึ้นมา ก็เข้าใจผิดเนี่านผูฟังความเข้าใจผิดในความเข้าใจผิดนะั่นคืออวิชช า, าเข้าใจผิดว่าอ๋อมันเป็นอัตตาแล้นี่นะโอมันเป็นสุกเนี่ยเอามันเที่ยงแล้วเนี่ยมันประสานเราเป็นวิปลาสความวิปลาสความประสาทเป็นบ้านนะ่ะมันคืออวิชชาอยู่ในใจเราเนี่ยแหละมีอวิชชาเอา้าแต่มันก็เห็นอยู่ท่องท่งไม่ใช่หรอกอะมันอาศัยเหตุเกิดมันมีเงื่อนไขปัจจัย ทำไมมันถึงเกิดเป็นเข้าใจปิดขึ้นมาได้เ อ, อ้อก็เวลาเราขยับขยื่นเคลื่อนไหวกายอ่ะลองดูมนุษย์เรานี่ลุกขึ้นก็ได้นั่งลงก็ได้ยืดแขนแยกขาคิดนึกนั่นนี่ทำการงานทำกเกษตรเขียนซอฟต์แวร์โปรแกรมวาดภาพคุณทำได้หมดคิดอ่านการงานก็ได้ เพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์เราเป็นอย่างนี้มีลักษณะที่ว่าสร้างสรร์ปรุงแต่งมาในความที่มีแขนขาเดินได้คิดได้มีปัญญาสมองนี่คือปรุงแต่งมาเงื่อนไขามาเป็นนรตามาเป็นแบบนี้สัตว์เดรัจฉานไม่ว่าเจ้าตูบเจ้าเมียวไอ้ทุยคือหมาแมววัวควายนี่เขาก็มีธรรมชาติของเขาแบบนี้กินอานแบบนี้เดินได้ ร้องได้ไปนัน่นนี่ได้มีลักษณะเป็นแบบชุนักเป็นแบบแมวเป็นแบบบัวควายของเขาคือเพราะว่าร่างกายเขาปรุงแต่งมาเป็นแบบนั้นทีนี้คนเราเกิดมาได้เนี่ยเพราะมันมีความยึดถืออยู่แล้วมีความยึดถือมีตัณหามีอุปาทานมีความเข้าใจผิดแล้วคืนจึงเกิดมาได้โอ้ยถ้าเข้าใจถูกเราก็ไม่มาทุกปานนี้เราไม่ต้องมาเกิดแต่ว่าเราเกิดมาเพราะมันมีกิเลสตัณหาอวิชชาอยู่แล้วเกิดมาแล้วยึดถือมาแล้ว ยึดถือมาแล้วเห็นโดยความเป็นอนัตตาอยู่ตรงโต้นี่ทำไมมันถึงยึดถือต่อไปได้เพราะเวลาที่เราปรุงแต่งอะไรหนึ่งก็ตามไม่ว่าสัต์จะเดินคนจะพูดมนุษย์จะคิดอ่านการงานทำอะไรต่างนั้นนี้เป็นอนัตตาเข้าตามกระบวนการของร่างกายคนที่ว่าระบบประสาทไม่ดีข้ามเนื้ออ่อนแรงเขาก็เดินไม่ได้คนที่เป็นพากินสันมือกระสัน คนที่เป็นโรคทอทร์เตียระบบประสาทมันยิงนั่นเนี่อยออกมากขาพูดในบ้าบอเพราะว่าเป็นการปรุงแต่งของเขาเป็นมาแบบนี้การปรุงแต่งนั้นคืออนาตาการปรุงแต่งนั้นคือสังขารปรุงแต่งกันมาแล้วเออทำงานไปนั่นนี่แล้วถ้าเราเกิดความพอใจเกิดความยินดีเกิดความเพลินความเพลิ น, ค ว, ลนความพอใจในสิ่งที่เราปรุงแต่งไป ความเพลินความพอใจนั้นนั่นนะ่ะคืออุ ป, ปทานอุ ป, ปทานคือความหยุดถือหยุดถือในสิ่งไหนสิ่งอะไรที่เรนปรุงแต่งไปนั่นแหละในว่านั้นจะเป็นคำพูดนันจะเป็นกิริยาทางกายหรือเป็นความคิดนึกอันใดหนึ่งที่เราปรุงแต่งไปเป็นการเขียนภาพเป็นการขับรถเป็นการเดินทางเป็นการงานเกิดความพอใจในสิ่งนั้นเมื่ อ, อไร นั่นคือความเพลินนั่นคือความยึดถือคืออุปท า, านมีอุปท า, านคือความยึดถือตรงไหนมันก็จะมีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นตัวเราของเราขึ้นนาที่ตรงนั้นความยึดถือไม่มีในที่ไหนอื่นนอกจากในขันห้าตรงนั้นก็ต้องเป็นขันห้านั่นแหละไม่ว่าจะเป็นนามเป็นรูป เห็นได้มองไม่เห็นอยู่ในภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประณีตถ้าเรามีความเพลินความพอใจมันละยืดตือแล้วเป็นตัวตนคือมาแล้วในสิ่งที่มันไม่ควรจะเป็นตัวตนนั่นแหละท่านจึงถามย้ำนะพระพุทธเจ้าเป็นกันเทศกันที่สองถามย้ำกับพวกเราภิกษุห้ารูปบอกว่าสิ่งที่มันไม่ยิงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเ ไม่เที่ยงใช่ปะบัมบาราไซเหตุเกิดมันจึงตนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากเรียกว่าเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราควรจะเข้าใจว่ามันเป็นอัตราหรอไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่เราควรจะเข้าใจว่ามันเป็นตัวเราของเราเหรอไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่เราควรจะเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นตัวตนขึ้นมาแล้วมีในเราเรามีในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมีในเราแต่เราก็เป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นเรา อย่างนั้นหรือ no no no n no, no, no. ไม่ไม่ไม่เอาไม่ใช่ไม่ควรไม่ควรจะเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราเราโอเคโอเคใช้อยู you. เราไม่ควยเข้าใจแต่เราเข้าใจมาแล้วไม่ใช่เหรอว่านี่เป็นตัวเราของเรากายนี้เป็นของเราแขนขาเป็นตัวเราความรูร้สึกความคิดนึกนี้มีในเราเรามีในสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเราเราก็้าใจอยู่ไงตอนนี้เราเป็นอย่างนั้นอยู่เราจึงมาทําความเข้าใจใหม่คิดใหม่ ใครกลุนใหม่ทำใหม่เข้าใจใถูกว่า้ ه, มันไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่ตัวเราของเราตัวเราไม่ใช่ของเราเฮ้ ه, มันยังไงนะมันเป็นหน้าตามันขึ้นกับสิ่งอื่นพอเราเข้าใจไปอยู่นี่ว่ามันเป็นตัวเราของเราใช่แต่ทำไมนะเพราะเราเพลินเพราะเรายินดีเพราะเราเพลินเรายินดีไปมันนุ่มๆเนียนๆมันแทรกเข้ามานี่ก็ามาตอนไหนนี่ มันมาเราอาศัยตอนเราเพลินเราเผลอไงมาตอนเผลอไม่ได้มาตอนอื่นเราตองมาฟังกิเลสอนะมาแสกหน้าเราตอนบลบเผลอเราะวเรารู้ตัวหน้าเราโกรธเดาอะไรนั่นแหละบาืที่รู้ ร, รู้ตัวอยู่เนี่ยปึ๊บเดียวมันมาเลยเผลอได้เลยมันเอากันอย่างเงี้ยนะตัางมาฟังตันหาอวิชชากิเลสมันเอาแสกหน้าเอาตรงเป๊ะๆ เ, เราเนี่ยไม่อายเลยแบบว่า โทไม่มีอย่างอายไม่มีความรู้สึกกระต่างแบบว่าน่าเกรงใจกันหน่อยไม่คุณเพลินตรงไหนมันเอาเลยมันยึดถือเลยยึดถือตรงไหนตรงนังน้นเป็นทุกทันทีเราทำไมเราถึงมายึดถือเป็นทุกได้เพราะความเบลนใช่ไหมทำไมคุณเบลนได้พอใจในสิ่งนั้นได้ทําไมเอาก็มันมีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกไงแต่เรามีความรู้สึกที่เป็นสุข เกิดขึ้นมันก็มีแนวโน้มว่าจะเพลินไปด้วยความยินดีพอใจรุ่มหลงเพลิดเพลินหรือถ้าเรามีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นมันก็จะเพลินไปด้วยความรู้สึกที่ว่าอืไม่น่าพอใจทำไมสิ่งนี้ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเราเป็นทุกข์นั่ก็เพลินไปเพลินไปตามอำนาจของความทุกข์ความสุขความทุกข์นั้นคือเบทนา หมีเวทนาได้ไงทําไมเราถึงมามีความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์อะไรเหล่านี้เกิดขึ้นที่ตัวเราก็เพราะว่ามันมีผัสสะมีผัสสะแล้วจึงมีเวทนาถ้ามีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกว่าเป็นสุขสุขกเวทนาก็เกิดขึ้นแต่มีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกว่าเป็นทุกข์ทุกขเวทนาก็เกิดขึ้น ภาษามากกระทบได้ท่าฟังเสียงที่เราได้ยินผ่านทางหูนั่นก็เป็นภาษะกลิ่นที่เราได้ดมผ่านทางจมูกนั่นก็เป็นภาษะความคิดนึกที่เกิดขึ้นในช่องทางใจนั่นก็เป็นภาษะอากาศร้อนมากอากาศเย็นบ้างภาษาภาษาภาษะทั้งนั้นคือการกระทบคนนอเนี่ยอยู่ในเนี่ยอายตนะ6กทางทางหูจมูกกลิน่นกายและใจ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกต่ำเตี่ยอยู่นรกขุมสุดท้ายลึกสุดนั่นเลยก็อยู่ในเนี้ยตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่าสูงขึ้นไปจนถึงสวรรค์เทวดาพรห ม, มโลกก็อยู่ในเนี้ยแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีออกไปจากนี้ได้เวลาเขาขัางนักโทษเนี่ยนะก็คุณทําความผิดเขาก็ตรีตรวนคือมัดปูกเพาวไว้ มีภิกษุกลุ่มหนึ่งมาจากชนบททางไกลเข้าแวะมาหาพระพุทธเจ้าที่พระวิหารเชตวันพอมาถึงวันรุ่งขึ้นเอกไปบินตบาดตามไปบินตาบาดเห็นพวกเจ้าหน้าที่เขานำตัวนักโทษไปสู่แดนประหารเขาเอาอขื่อคาเนี่ยใส่ไว้ที่คอแล้วก็มัดไว้ที่แขนขานี่ก็มีโซ่ตรวนคล้องอยู่ ถูกล็อกคอแบบนี้เดินไปพวกชาวชนบทพิสษุนเหล่านั้นเห็นแล้วก็โอ้ โ, อโอ้ไม่เคยเห็นเรื่องผูกรัฐจะปานนี้อยมันแน่นหนามากชันนี้ไปไม่ได้เลยนะนี่นะพอฉันอาหารรับบาทอะไรเสร็จเรียบร้อยกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเนีเห็นนักโทษมาถูกตีตรวนถูกยัด คือคาเข้าที่คอมัดแน่นมากไปไม่ได้เลยเขาออกมาจากโกรงขังโกรงขังนี่ก็โหก็เป็นเหล็กเป็นแท่งเป็นแท่งรัดไว้รอบด้านออกมาไปสู่แดนประหารพระพุทธาอธิ บ, า, บายทุกฝัง่งว่าเครื่องรึงรัดที่แน่นหนานกว่าเนี้มันมีอยู่นะนั่นคือสังสารมรรทั้งหมดนี่แหละทุกฝัง่ง สังสารวัฏเนี่ยเปรียบเหมือนกรงครังเราอยู่นักโทษเขายังดีทั้งฝั่งเขารู้ว่าเออเขามีเวลาเท่าไหร่เราคุณถูกศาลสั่งจำคุก9กปีหรือตลอดชีวิตหรือ10ปีหรือหปีก็ตามอ่ะแต่พอติดคุกจริงๆรอ่ะห้าหกปีแล้วแหละเดี๋ยวก็มีอภัยโทษเดี๋ยวก็มีลดหย่อนโทษนั่นนี่เดี๋ยวก็ออกมาได้หรือว่าถ้าตายในคุกจริงๆเอาสมมุติเป็นติดเชื่อในกระแสเลือดอย่างเงี้ยอ่ะ แล้วตายในคุกนี่เขาก็ไม่เอาไว้ในคุกในะทุฝั่งเขาก็ต้องเอาออกมากระน่อกนักโทษคนไหนก็ตามอยู่ในคุกไม่ได้นานหรอกก็ต้องอยู่จนถึงเวลาหนึ่งแล้วเขาก็ต้องเอาออกมาอยู่ดีไม่ว่าจะตายออกมาหรือจะเป็นออกมาก็ตามเขายังเอาออกได้หรือพวกที่ไม่ได้ถูกจําคุกตลอดชีวิตเป็นเวลาเขายังรู้เวลาที่เขาจะออกได้อย่างดีเนี่ยคือเขายังรู้ไงเติมดูฟังยังรู้ทัว่า แต่คนที่ถูกขังอยู่ในคุกของสังสารวัฏไม่รู้ตัวนั้นฝันจะเป็นสัตว์นรกก็ถูกขังอยู่ตรงนี้มีทุกขเวทนามากหน่อยมีทุกที่เป็นสัด ส, ส่วนกับความสุขมากหน่อยสุขน้อยหน่อยในขณะที่มนุษย์ก็มีสุขมีทุกขปะกันปนกันสุขก็มีทุกขก็มีเพือยู่ในเนื้อน้าตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่หนีออกจากนี้หรือขึ้นไปเป็นเทวดา เทวดาจะเห็นภาพอะไรได้ยินเสียงอะไรดมกลิ่นอะไรก็เป็นของทิพย์ก็ตามก็แต่ก็อยู่นกแน่้นและเป็นลักษณะของเขาเป็นอาหารทิพย์เดินทางไปก่อเหาะไปว่าไ ป, าไปมนุษย์ก็ต้องกินอาหารหยาบไปไหนก็ต้องขึ้นเครื่องบินขับรถหรือไม่ก็เดินไปขี่จักรยานไปไปแบบนี้สวรรค์พวกเทวดาพรรมก็อยู่ด้วยตาหูจมูกลิ้นก า, ายและใจนี่เหมือนกันเมื่อนี๊ยออกไปจากนี้ถูกขังวนอยู่ในเนี่ย ไม่ไปสูงกัมาต่ำไปกลางไปสูงบ้างวนไปวนไปถูกครั้งอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายและใจหกช่องทางนี้เขารัดไว้หลวมๆแต่แก่ได้ยากเบรไว้เหมือนกับสุนัขคือหมาเนี่ยจำฝั ง, งเขาผูกคอมันเอาไว้ด้วยเครื่องผูกสุนัขผูกไว้กับเสาหรือหลัก ให้มันหนีไปไม่ได้คือถ้าผูกแน่นนี่คําว่าผูกแน่นนี่คือเชือกนี่มันโอ้รัคอมันเลยล่ะรัคอเสร็จปุ๊บโอก็มาอยู่แค่แบบสองนิ้วความยาวของเชือกเนี่ยติด ก, กับเสาเลยโอ้ยสติกินไปนั้นมันก็หายใจลําบากแล้วมันก็จะรู้ด้วยว่าติ่มผูกมันอยู่ตรงไหนมันก็พยายามจะดิ่นจะห น, นีคือมันจะรู้ตัวได้แต่ถ้าผูกไว้ไม่ต้องแน่นมากคือผูกไว้หลวม สายเนี่ยก็มีระยะออกมาให้มันพอวิ่งพอเดินไปได้ตามความยาวของสายเชือกนั้นอาจจะสักสองวาห้าเมตรก็แล้วแต่ปลูกเอาไว้เสร็จปุ๊บแต่เงื่อนที่ผูกเนี่ยแกะยากนะแกะไม่ได้มันก็จะวิ่งเล่นเดินอะไรของมันอยู่เท่านั้นนั่งบ้างนอนบ้างแต่นี้ไปไหนไม่ได้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตรงกลางอยู่ตรงไหนพนก็เ ท, ที่ยวเล่นอยู่ตรงนี้ตามความยาวของเชือก เหมือนกันนะคนนะทุกฝัง่งถูกล็อกอยู่ด้วยคุกของสังสารวัตรรึงรัดอยู่ด้วยตันหากรอบงาำไม่มองไม่เห็นด้วยอวิชชาจึงวนไปวนมาขึ้นบ้างสูงบ้างสุกบ้างต่ำบ้างลงบ้างทุกบ้างมากบ้างน้อยบ้างตามแต่สภาวะของสัตว์นั้นๆสิ่งมีชีวิตประเภทนั้นๆันน้าเป็นสรตวนรก จะได้ทุกข์มากกว่าสุขหัตถะที่ผ่านมาทางต่างหูจมูกลิ้นกายและใจก็จะเป็นลักษณะที่เป็นทุกข์มากกว่าแต่เป็นเทวดาผู้ปลอมลักษณะที่ผ่านมาทางต่างหูจมูกลิ้นกายและใจของเขาก็จะมีสุขมากกว่าทุกข์ก็มีอยู่แต่น้อยแต่ถ้าเป็นมนุษย์ก็จะปะป๊กันเป็นสิ่งที่ผ่านมาตาหูจมูกลิ้นกายใจสุ ข, ขก็มีทุกข์ก็มีใกล้เคียงกันทุกข์อาจจะมากบ้างสําหรับบางคน สุขอาจจะมากบ้างสำหรับบางคนแต่มันก็ไม่หนีขึ้นมากปวด ท, ท้องก็เ้าของน้ำเหมือนกันกินได้อิ่มมันก็มีความสุขเหมือนกันอิ่มหนึ่งก็อิ่มเดียวนั่นแหละเป็นอย่างนี้เหมือนๆกันแต่หูจมูกลิ้นก า, ายและใจไม่เคยเออกไปจากนี้วังวนอยู่ในนี้ทุกล็อกอยู่ทุกครั้งอยู่ด้วยอำนาจกองตันหาวิชาคำถามคือเ ร, เราจะแก้ยังไงนี่มันล็อกเราอยู่ตรงนี้ จนจึงมาเคร่งขรวนดับวังมาเคล่งรวนโอ้ทุกเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้เหตุแล้วทำไมทำยังไงมันถึงจะแบบคลายทุกข์ได้ดับทุกข์ได้เรารู้เข้าใจแล้วว่าทุกเนี่ยมันมีเหตุเกิดทุกตัวทุกนั้นคือขันห้าสิ่งต่างๆเหตุเกิดทุกเนี่ยก็คือตัณหาไปไม่เกิดความยึดถือโดยอาศัยอํานาจจากความเพลินความพอใจในภัตตาต่างๆที่มากระทบ ควาเพลินความพอใจอันนั้นคืออุปาทานโดาจึงรู้สึกที่เป็นทุกข์ขึ้นมาเอ๊ะทำยังไงนาะดึงจะดับความทุงขนี้ได้ทำยังไงเนาะทำยังไงนาะทํำยังไงนาะคิดคิดคิดคิดท่านผูฟังคิดเป็นปุถิชาเน่ก่อนเป็นบริษัทนั่งคิดอยู่นั่งคิดอยู่เอ๊ะมีสิ่งใดไหมที่ถ้าเมื่อเรายึดถือแล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ มีความสุขแบบไหนไหมที่ว่าถ้าเราเอาอันนี้เป็นหลักแล้วเราจึยังเป็นสุขอยู่ไปเรื่อยๆคิดคิดคิดคิดนะทาังคิ ด, ค ด, คดหาไตรตรองไคร่ครวนด้วยปัญญาไม่ใช่ปัญญาธรรมดาธรรมดาแต่เป็นปัญญาอันยิ่งเป็นอภินยาเขาเรียกว่าเป็นปัญญาอันยิ่งไตรตรองไคร้ครวนเฮ้มันไม่มีนะ บางคนบอกเอ้ฉันก็จะยึดเอายานี่แหละเป็นหลักท่านก็ที่ยึดเอารัฐบาลนี่แหละเป็นหลักท่าก็จะยึดเอาบุคคล น, นี้หรือบางคนก็ไปยึดเอาเครื่องรางของขังยึดเอาสมุนไพรบ้างยึดเอาอะไรบ้างยึดเอาอำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างหรือยึดเอาบุคคลใดบุคคลหนึ่งบ้างว่านี้จะเป็นหลักจะเป็นที่พึ่งให้เราแบบพ้นจากทุกได้มีไหมมีไห ม, ม, ไมใกล้กรวนตรายตรอง หาเนี่ยมันไม่มีทุกฝังบา ง, บางคนจะคิดว่าเอ้ยงั้ฉันก็ยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นหลักยึดนั้นๆก็ไม่ได้ดูอย่างพระวักกะเลกดูเต้นมาคอยมองคอยตามพระพุทธเจ้าพระวากกะเล่นะยึดยึดยึ ด, ย, ดยึดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้สวยสวยรูปงามอยากเห็นอยากดูนี่จะเป็นบุญของเรายึดเอาบุญยึดเอาพระพุทธเจ้า ความยึดถือมันคืออุปาทานดูบ้างความยึดถือคืออุปาทานประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายอันเน่านี้ท่านบอกกับพระบัคคัลิ์นี่มันกายเฉยเฉยไม่ใช่อย่าไปยึดในรูปอย่ายึดในสิ่งของอย่าไปยึดในไอเดียความยึดถือไม่ดีแต่สิ่งที่ดีคืออะไรเอาเป็นที่พึ่งที่พึ่งคือสาธรณะความยึดถือคืออุปาทานความยึดถือทําให้เกิดทุกข์ เราเป็นที่พึ่งคือสารณะนะมันถึงจะดีไม่มีเลยทั้งบัังไม่มีเลยที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าเรายึดถือในสิ่งนั้นแล้วจะเป็นผู้ที่หาโทษไม่ได้มันมีโทษอยู่หมดโทษมันคือความไม่เที่ยงคือความเป็นทุกข์คือความที่แปรปรวนไปเป็นธรรมดามีโทษอยู่มีโทษอยู่เรายึดสิ่งที่เป็นโทษนั้นโทษก็เกิดขึ้นกับเราไม่มีเลย เอาไม่มีเลยเหรอสิ่งที่ยึดถือเราจะเป็นความสุขเป็นสาระเป็นแก่นสารขึ้นมาไม่มีเอาทั้งนั้นจะทำความทุกข์ให้ดับไปต้องทำยังไงคุณก็ต้องดับความยึดถือเล ด, ดับความยึดถือจะดับความยึดถือได้มันก็ต้องดับความอยากคือตัณหาจะดับความอยากได้อยากได้สุขบ้างไม่อยากได้ทุกบ้างจะดับความอยากตรงนี้ ทำไมแบบว่าเราจะเอาสุดตรงนั้นเราจะหลีกเลี่ยงทุกนี้พวกนี้คือตัณหาความที่อยากจะได้สุขนั่นก็เป็นสุดตรงอันหนึ่งความที่ไม่อยากได้ทุกคิดว่าจะต้องผ่านทุ ก, ก่อนนั่นก็เป็นสุดตรงอันหนึ่งมันจะเป็นทางตันจราจะบอกไว้ให้ทุกฟังบอกว่า the way me pika we anta yo cha yang gamasuka likanu yo คือสิ่งที่เล่นดิ่งไปสุดตรง สุดตรงนี่คือมันเป็นทางตันสุดตรงทางตันเนี่ยมันคือทางวนสุดตรงทางตันทางบนคือมันไม่มีที่จบมันวนไปเรื่อยๆใช้ซ้ำอยู่เรื่อยๆหมุนวนไปนี่คือสุดตรงสุดโตรงนี่หมายถึงทางตันกปว่าทางตันไม่ใช่ที่หมายแต่มันไม่มีที่หมายมันวนไปเรื่อยๆเป็นเรื่องความสุขอยากได้สุขอากรสุขมัน ถ้าเราเอาสิ่งนั้นมันกลายเป็นความยึดถือมันกลายเป็นสิ่งไม่มีสาระเพราะมันเปลี่ยนแปลงได้ไงเราจะเอาสุขมาเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเรายึดถือสิ่งนี้ไม่ได้นั่นเป็นทางอ้อมนั่นเป็นทางไม่ตรงนั่นเป็นทางตันนั่นเป็นทางบนเป็นเขาวงกดเข้าไปตายนะหรือถ้าเราจะเอาความทุกข์เอาคนเราไม่อยากได้ทุกข์อยากหลีกหนีทุกข์ ความไม่อยากนั่นน่ะมันก็คือตัญหาเมือนก็หลักปัญหาคือความอยากที่จะไม่มีไงถ้าคุณอยากที่จะไม่มีก็คือไม่อยากพออยากที่จะไม่มีมันก็คือความอยากนั่นแหละแต่อยากในสิ่งที่มันไม่มีไม่ใช่เช่นคนแก่แล้วก็เลยอยากจะไม่แก่มันคือไม่อยากแก่ไงไม่อยากแก่แล้วทำยังไงก็ทำเป็นเด็กเด็กหรือว่าเท่าทารก หรือคนเป็นเด็กๆอยากจะแก่ก็ทําตัวเป็นคนแก่ๆทําตัวเป็นผู้ใหญ่เขาก็เรียกว่าแก่แดดจะเอาความแก่หรือจะไม่เอาความแก่มันก็คือความอยากเหมือนกันเป็นสุดโต่งอีกด้านหนึ่งโยจายังอัตากิระมัธยนิยโกรถึนบาสุดโต่งชนิดที่ว่าเอาความทุกข์เป็นหลักเออไม่อยากได้ทุกข์นั้นก็จะต้องเอาความทุกข์เนี่ยมันให้ออกไปก่อน จึงก็จะไปทําให้มันทุกข์เกิดขึ้นโอ้ยตัวเองทุกข์ทๆกขกคิดว่าตัวเองทุกข์ยิ่งคิดว่าทุกข์ก็ยิ่งทุกข์มากยิ่งคิดว่าไม่อยากจะทุกข์ยิ่งทุกข์มากเข้าไปอีกเพราะมันไม่อยากไงอยากที่จะไม่ได้มันก็คือความอยากนั่นแหละตัวเองมีทุกข์นิดหน่อยพอคิดว่าไม่อยากมีทุกข์นี้เลยทุกข์คูณสองตามความคิดสองครั้งโอ้ยไม่อยากมีทุกข์นี้เลยทุกข์คูณสามตามความคิดสามครั้งเราเล่าเรื่องความทุกข์นีอฟังก ทุกคูณสีตามสิ่งที่พูดนั้นไปอีกจะพูดไปอีกก็คูณห้าด้วยเพราะว่าก่อนพูดก็ต้องคิดก่อนอีกยิ่งคิดยิ่งทุกข์ยิ่ ง, ง, งไม่อยากทุกข์ยิ่งทุกข์นะมันสุดโตง่งไงทุ่ฝัังมันเป็นทางอ้อมมันเป็นทางวนก็ไม่อยากทุกข์แล้วทำไมยังทุกข์อีกอะมันหลอกเราไงมันหลอกเราให้ทุกมันเป็นทางวนวนมาอีกเอา้าก็เจอเหมือนเดิมคิดดีกก็ชำมีอีกชำมีอีกก็คิดอีก คิดเรื่องช้ำๆมันก็ช้ำอยู่นั่นะวนไงมันตันมันหมุนมันเป็นสุดโตสองอย่างสองข้างจะไปทางไหนดีนี่ไปทางไหนดีไม่ว่าพระพุทธเจ้าทานหลายจะเกิดขึ้นก็ตามหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามท่านฟังสิ่งนี้ยมันมีอยู่แล้วคือความที่มันเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นความเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติ เป็นธรรมัดติฏตาเป็นธรรมัดนิยามตาคือความที่ว่าสิง่งใดสิ่งหนึ่งมันจะเกิดขึ้นได้มันต้องมีเงื่อนไขปัจจัยนะตัณหาก็เป็นเงื่อนไขปัจจัยนะความทุกข์ก็เป็นเงื่อนไขปัจจัยนะคำ ว, ว่าเงื่อนไขคำ ว, ว่าปัจจัยคำ ว, ว่าเหตุคือมันอาศัยสิ่งอื่นไงคือสิง่งใดสิ่งหนึ่งจะมีได้มันต้องมีสิ่งอื่นๆมาเป็นปัจจัยเงื่อนไข คือเป็นอิทัปะปัจจัยตาคิดใกล้กรวนตรงนี้ท่านมาคิดใกล้กรวนว่าเอ๊ยทำไงคนหนึ่งจะมีความนทุกข์ขึ้นมาได้โอ้เงินต้องอย่าไปยึดถือจะไม่ยึดถือได้ก็ต้องอย่าให้มีความอยากไปตามความสุขหรือความทุกข์ถ้าเรามีความอยากที่จะได้สุขไม่อยากที่จะได้ทุกข์คืออยากไม่ได้ทุกข์ มันก็จะมีความเพลินไม่เอาไม่เอาฉันก็อย่าไปมีความอยากในสุขอย่าไปมีความไม่อยากในทุกจะทำยังไงถึงจะมีความไม่อยากก็ต้องดับไปเจ้าความอยากหน่วงไปให้ได้จะดับความอยากได้ทอยังไงเพราะพอมีความอยากมันไปตันสุดต่งสองข้างท่านจึงคิดไตรตรองไก่กลัวนี่ทายัางไงทำยังไงมันต้องมีทางสิ ถ้ามันมีทุกข์แล้วมันเกิดทุกข์ได้เอาก็แล้วถ้าเหตุเกิดทุกข์นั้นมันดับไปเออความทุกข์มันก็ดับไปเหมือนกันนะเอาถ้ามันมีความดับลงของความทุกข์ได้มันก็ต้องมีเหตุที่ให้ความทุกข์นั้นมันดับได้เหตุนี้จะเป็นอะไรเนอะเหตุอะไรเนอะพี่ชห้ดับตันหาได้ถึงกอบมาคิดตั้งบังมาคิดคิดไตรตรองก็ไร้กลวนมันจึงมีโมเมนต์ตั้งฟัง นั่งอยู่ทำความเพียรเนะีทำมาหมดสุดตรงสองข้างกามเนี่ยโอ้ยเสียมาอย่างเต็มที่เลยฮะดูหา ด, หา ด, หาดูตรงไหนที่ว่าถ้ายึดถือเอาเป็นหลักแล้วจะไม่มีโทษหาดูในทั่วพระราชวังหาในอาหารหาในเสื้อผ้าหาในการปกครองหาไม่เจอหาไม่เจอออกมาจากวังมหาข้างนอกหาด้วยการทำทุกรกิริยาก็บอกเออทางนี้จะเป็นทางพ้นทุกข์ ไปปฏิบัติทุกการ ก, กิริยาอยู่เขาดงคสิริอยู่ใต้ต้นโพ ร, ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาบ้างฮะก็ไปหาเข้าไปห า, า, ปหายังไงก็หาไม่เจอเข้าไปจนเกือบแล้วนี่มีสเดียวนี่จะตายแล้วนี่ฮะไม่เจอหาไม่เจ อ, เ, จอเอ๊มีสิ่งที่เราชีดถือเอาแล้วมันจะอาทูกไม่ได้มันมันไม่มีนะ่ามันไม่มีเอ๊สงสัยหนทางแห่งการตรัสรู้จะพึงมีโดยประการอื่น สิยานุขโขอัญโยมขโขโพธิยาติท่านคิดขึ้นมาว่าน่าจะเป็นทางอื่นอันนี้นะอ๋อเราจำได้อยู่เออก็ตอนที่เราอยู่งานแรกนาของพระบิดามีโมเมนต์ทำบุาคนเดียวเออก็อ๋อเอกเอก็นั่นละ่ะ อภิชาณมิโคปนาหังเมือ่อเราเจอปัญหาตรรมฝังเจอความทุกข์หลาอย่างนั่นนี่นนโ้ยเราต้องมีโมเมนต์ตรงนี้ธรามฝังดีวะ่ะเอ๊มันจะออกจากปัญหาได้ยังไงทำยังไงนะอ๋อทำอย่างงี้สิทันเออก็นี่ยทัออนท่านคิดกันได้อ๋อตอนที่เราอยู่สมัยนั้นนี่เขาไปทํางานหวานข้าวกันอยู่เรานั่งอยู่ใต้ต้นว่า มีจิตใจสงบสงัดเย็นเป็นสมาธิให้บอกความระลึกได้ตรงเนี้เกิดขึ้นวิญญาณอันเล่นไปตามความระลึกสัตตานุสารีวิญญาณังได้เกิดขึ้นกันมานี่แหละแน่แล้วหนทางการตรัสรู้ความระลึกได้นั้นคือสติท่านผู้ฟังคือสติวิญญาณอันเล่นไปตามความร ะ, รญญ ล, ะลึก กว่าระลึกได้นั้นคือสติเหมือนอย่างที่เรากำลังทำเนี่ยท่านผู้ฟังสตินะตั้งสติขึ้นกุไรกุเรนไปตามธรรมะาพอเรามีสติตั้งขึ้นนี่นั่นคือสัมมาสติสัมมาสติคือสติปัฏฐานสีสติปัฏฐานสี่คือสติสัมโพชฌงเป็นหนึ่งในองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมเป็นหนทางเอกเป็นทางเดียว ที่จะทสัตว์ให้ล่วงผลจากความทุกข์ทั้งหลายสติคือความระลึกได้คือสัมมาสตินี้ไอความเพียรที่เรากระทําตั้งสติไว้นั่นก็เป็นสัมมาวาจาเวลาเราระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความดีได้เนี่ยแสดงว่าคุณรู้จักที่จะแยกความดีกับความชั่วละอดีส่วนนี้ชั่วส่วนนี้เฮ้สิ่งชั่วเราไม่ระลึกถึงหลกเรามาระลึกถึงสิ่งดีความระลึกได้นั้นคือสัมมาสติ ความเพียรนั้นคือสัมมาบารยาะการที่เรารู้จักแยกแยะถูกผิดแล้วมาตั้งจิตไว้ในสิ่งที่ถูกไม่เอาสิ่งผิดนั้นการรู้จักแยกแยะนั้นคือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจที่ถูกแล้วดีแล้วสัมมาทิฏฐิก็มีอยู่ตรงนั้นเรามานั่งปฏิบัติธรรมในระหว่า ง, งทำกันไปด้วยกันผ่านทางอากาศผ่านทางสถานีวิทยุฟังไปบางคนฟังย้อนหลังบางคนฟังปัจจุบันฟังไปฟังไปเออในขณะที่เราทําอยู่เนี้ย ศีนก็มีอยู่แล้วศีนเรมีอยู่แล้วกายวาจาก็บริสุทธิ์อยู่อาชีวะเราก็ไม่ได้ทําอะไรเราก็นั่งอยู่เฉยนั่นก็เป็นสัมมากรมมันต์สมมาวาจาสมมาอาชีวะสิ่งเหล่านี้มาประกอบกันอยู่ในจิตของเราแวดล้อมจิตของเราแล้วเกิดเป็นอารมณ์เดียวขึ้นมาจิตที่เป็นอารมณ์เดียวอันมีสมาธิฏิสมมาวาจาสมมากรรมันต์สมมาอาชีวะ สมาวยมายามะสมาสติแวดล้อมจิตนั้นมันไม่ได้ไปคิดเรื่องบ้าบอนะั่นหวังมันก็คิดอยู่ในเรื่องธรรมะนั่นแหละคิดเรื่องที่ไม่ใช่เป็นกามคิดเรื่องที่ไม่ปยาบาดไม่เบียดเบียน น, นั่นก็เป็นสมาสังกปะจิตเริ่มระ ง, งับลงระ ง, งับลงประกอบกันเข้าระ ง, งับลงเป็นอารมณ์เดียวความที่จิตเป็นหนึ่งโดยมีสิ่งต่างๆแวดล้อมนี้ นั่นก็เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิสมาธิก็เกิดขึ้นจะเป็นสมาธิชนิดที่มีความคิดกะตามไม่มีความคิดกะตามเป็นสมาธิชนิดที่ตื่นๆไม่ลึกหรือจะเป็นสมาธิที่ลึกก็ตามนั่นก็เป็นสัมมาสมาธิเหมือนกันอยู่ที่ว่าจิตระ ง, งับลงไปขนาดไหนจะน้อยจะมากเป็นสมาธิได้องค์ประกอบ8อย่างนี้ทั้งหวังนจนถึงเรียกว่าเป็นทางแล้วเนี่ยนะ องค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเป็นหนทางเป็นทางที่จะไม่แล่นดิ่งไปหาสิ่งสุดโตงทั้งสองนั้นเอเตเตพิกเวอุโภอันตาอนุปคัมมะมัชชิมาปฏติปัาคือหนทางสายกลางมาทางสายกลางคือมันไม่วุดซ้ายไปหรือขวาไปไม่ไปทรงนั้นแต่รอดไปวูดไป นจึงเรียกเป็นทางสายกลางคือมัชชิมาปฏิปทาไม่แล่นดิ่งไปหาสิ่งสุดตรงทั้งสองไม่เลี้ยวไปแล้วก็วนไปผิดทางบุงคนใบแผนทนี่ผิดทางอา้อไปตกที่ไหนก็ไม่รู้พกคุณดูแผนที่ผิดแต่ทางนี้ท่านบอกว่าเป็นทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างไปตามทางนี้ทางที่จะให้ผลนทุกได้ ทางที่จะเป็นไปเพื่อความสงบระงับรู้ยิ่งรู้รมนิพพานเป็นทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐแอย่างทางนี้มีอยู่ยู่นี้แหละที่เราตั้งสติขึ้นมีองค์ประกอบอันประเสริฐแปอย่างแล้วเป็นทางที่มีที่จบเป็นทางที่มีจุดหมายเป็นทางที่ไม่วนเป็นทางตรงเป็นทางลัดเป็นทางเดียวเป็นทางเอกทางเอกคือทางลัด ทางเอกคือทางตรงทางตรงทางเอกทางเดียวมีองค์ประกอบอันประเสริฐแปอย่างมีจุดหมายที่แน่นอนเราตั้งสติอยูน่นี่นี่คือมีองค์ประกอบอันประเสริฐแปอย่างนะทำไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินตามทางนี่มันจะถึงที่หมายเราปฏิบัติตั้งไว้ให้เราระลึกถึงความดี กา ร, ระลึกถึงความดีของเราเออฉันเคยปล่อยสัตว์ชนเคยดูแลมันไม่ฆ่ามันนั่นก็เป็นสีลานุสติเรามาระลึกถึงธรรมะใกล่ครวนไปตามนั่นก็เป็นธรรมานุสติเรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าความดีงามของท่านปัญญาของท่านนั่นก็เป็นพุทธานุสติเรามาระลึกถึงราาพระชจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์นั่นก็เป็นสังขานุสติ เรามาระลึกถึงทานที่เราเคยให้เคยบริจาคเอาไว้บางคนบอกโอ้ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีฉันจนลงให้ทานได้ไม่เหมือนเก่ามันเครียดมากลุ่มใจคุณอยกลุ่มใจทําไมกับไที่เคยให้ไว้ก็ระลึกถึงมันดีการระลึกถึงมันนั้นหนึ่งก็เป็นจากการดุสติมันคิดนึกถึงบุญเก่าก็ยังได้ที่ให้ทานไว้หรือบางทีเรามานึกถึงลมหายใจหนึ่งก็เป็นอาณาปานสติ บางคนจะใครครวญไปในกายด้วยหนึ่งก็เป็นกายยักกตาสติแบบไหนก็ได้สติเกิดขึ้นในหมดอ่ะเกิดขึ้นได้แล้วสิ่งต่างๆที่เป็นองค์ประกอบอันประเสริฐเจ็อย่างที่เหลือมันก็ตามมาประกอบขึ้นประกอบขึ้นบางที่เราตั้งสติเออบางนี้ยังมีคิดไม่ดีนั่นนี่เรื่บ้างพอตั้งสติไปรู้อะไรดีอะไรไม่ดีนั่นเป็นสัมมาทิฏฐิพยายามความเพี่ยนก็เป็นสัมมาวายามะ คิดดีๆได้มากกว่าคิดไม่ดีนั่นก็เป็นสัมมาสังกปะสีนกก็ฝึกให้มีขึ้นทําดูครบถ้วนขึ้นมารวมลงรวมลงก้า ว, ว, วต่อเนื่องไปเป็นทางนะทางนี้มันดับกิเลสได้ไงมันดับตัณหาได้ไงเพราะตัณหามันทําให้เราวิ่งไปสุดตรงสองทางไงให้ไปคิดนึกทางการบ้างเอาสุขบ้างให้ไปคิดนึกในการเกี่ยวกับความทุกข์บ้างโอ้ไม่อยากได้ทุกข์บ้าง เมันสุดตรงสองข้างมันหมุนไปมันเวียนไปมันวนไปแต่พอเป็นทางสายกลางมาัชฌิมาปฏิปทาใช่ปะ่ะเป็นทางเอกทางตรงมันจะไม่ให้จิกรองวิ่งแล่นดิ่งไปสุดตรงซ้ายหรือขวานั้นเอากลางๆไปเอารอดไปก็ผ่านไปผ่านไปตรงไปมันจึงลีกออกจากตันหาได้เวลาคนเป็นแผลในตมวัง เป็นแผลตรงไหนเขาก็ต้องใส่ยาตรงนั้นมีปัญหาตรงไหนจะแก้มันก็ต้องแก้ตรงนั้นมีเรื่องราวเกิดขึ้นที่ไหนจะระ ง, งับเรื่องราวก็ต้องระ ง, งับดับมันตรงนั้นมันผูกกันมันติดกันมันเป็นเงื่อนตรงไหนจะแกะคลายเงื่อนได้ก็ต้องตรงนั้นท่านั ง, งเป็นแผลที่เท้ามันจะไปใส่ยาที่เขา่ามันจะไปได้เหรอมันกต้องใส่ยาที่เท้าไงมันยึดถือตรงไหน จะคลายความยึดถือได้มันก็ตรงนั้นน่ะนะจิตเรามันยึดถือมันยึดถือจึงเป็นจิตมันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเราจะคลายความยึดถือเราจะละตัณหาก็ต้องละตรงที่มันจิตนั่นแหละจิตอยู่ตรงไหนอยู่ตรงผัสสะพัสสะอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงนั้นจิตอยู่ตรงไหนอยู่ตรงความยึดถือความยึดถืออยู่ตรงไหนอยู่ตรงพัสสะมีพัสสะตรงไหนมีความยึดถือตรงนั้น มีพัฒนาก็ตาหูจมูกเลี้ยงกายใจไงเราก็เอาสติเราตั้งไว้ตรงนั้นได้ยินอะไรเอาสติตั้งไว้ตรงนั้นดมกลิ่นอะไรเอาสติตั้งไว้ตรงนั้นคิดนึกอะไรเอาสติตั้งไว้ตรงนั้นเหมือนคนเฝ้ายามนายาวรเขาเฝ้าดูเนี่ยเขาต้องอยู่ตรงประตูน่ะอยู่ตรงทางเข้าทางออกตั้งสติไว้ตรงนั้นสติรักษาไว้ให้ดี สติที่เราตั้งไว้ที่ตาหูฉมูรินงกายใจตามช่องทางนี้มันจะพาจิตไปไม่ไปตามสุดตรงสองดังไม่ไปแปดเปื้อนในสิ่งที่ซ้ายจัดหรือขวาจัดแต่มันจะรอดพ้นไปตรงกลางเหมือนกับใบบัวหรือดอกบัวที่เกิดขึ้นจากขี้ตม้มเกิดขึ้นจากน้ำแต่พอโดนขี้ต้มหรือน้ำแล้วมันไม่แปดเปื้อนกันมันไหลเลือดออกไปได้ จีตใจเราตั้งอยู่เกิดขึ้นมาก็เพราะกิเลตนั่นแหละกิเลนอบรมใจิตใจเรามาเออภาษาอะไรปุ๊บบางที่ก็ชอบบางที่ก็เกลียดกิเลกก็ฝังลงไปเป็นอาสวะอยู่ในจิตทำให้เรามีอุปนิสัยแบบนี้เป็นคนแบบนี้มีความคิดแบบนี้เพราะกิเลนอบรมมาอบรมมาอบรมมาเราทำไปทำไปอ้เอ๊ะเร า, เอาอยัางไงเนี่เราตกกลายเป็นท่าของกิเลส แต่พอเราปฏิบัติตามมักแปจิตนั้นได้รับการรักษาเหมือนมีเยื่อบางๆมาหุ้มเอาไว้กิเลสมันก็ไกลาจากกันมันก็แปดเปื้อนไม่ได้ระ ง, งับลงไปเหมือนดอกบัวหรือใบบัวทีนี้ถ้าจิตของคนที่ไม่มีสติตัต้งไว้มันชุ่มกับยาคาพอมีน้ําหยดรดลงใบที่ยาคามันก็ซึมไปในราก ลงไปในดินทำให้รากมันยิ่งยั่งลงลึกทำให้หน่อใบของมันยิ่งแปรซ่านออกไปตัวต้นหญ้าคานั้นก็เหมือนกับตันหารากของมันก็คืออวิชาน้ำที่หยดลงไปนั้นก็คือผัสสที่มากระทบแต่ถ้าจิตใจเราทําให้เป็นเหมือนกับดอกบัวหรือใบบัวโดยการตั้งสติไว้น้ำคือผัสสที่หยดลงมา มันไม่แปดปื้นที่ใบบัวหรือดอก บ, บัวนั่นนะมันแยกออกจากกันทำไมมันถึงแยกออกจากกันได้เพราะเราตั้งสติไว้ตั้งสติไว้แล้วองค์ประกอบต่างๆอันประเสริฐอีกเจ็อย่างรวมกันเป็นแปดเกิดขึ้นอ่ะจิงเราวุดหลุดออกมาได้รุดออกมาจากสุดโต่งสองทางนั้นเป็นสิ่งที่พระตถาคตทั้งหลาย รู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งธรรมธาตุนี้พอรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะด้วยพอรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วจึงได้บอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงคลี่งายขึ้นให้รู้ว่าอ๋อทางสายกลางเป็นอย่างนี้ การไม่แล่นหนิงไปสุดตรงสองข้างเป็นอย่างนี้ทุกเป็นอย่างนี้เหตุเกิดทุกเป็นอย่างนี้ความดับทางดำเนินให้ถึงความดับได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างไงนะก็ะอย่างที่เราทำอยู่นี่ล่ละศีลสมาธิปัญญาท่านศีลภาวนาทุกสมุทัยนิโรธมร เหล่านี้เป็นมรดกเป็นคำสอนเป็นสิ่งที่เราทำเราปฏิบัติได้ท่านจะมาอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นก็ตามมันมีอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ลูกส ม, มุทัยนี้รธมกักทานสีนภาวนาบางคนจะทำมากทำน้อยทำยังไงถ้าไม่มีท่านมาบอกไว้เอ๋เรื่องนี้ไม่ได้ถูกเอามายำ้ำฉันไม่ได้ถูกเปิดเผยขึ้นอย่างแจ่มแจ้งแจกเอาไว้พบนี้ยงี้ทไปแล้วจะได้ผลอย่างอย่างี้ มีอุปสรรคอย่างนี้อ่งนี้ต้องระวังจุดนี้คือมันจะไม่ได้ถูกระวังไม่ได้ถูกบอกไว้มีอยู่แต่ไม่ชัดเจนแต่พอมีพระพุทธเจ้าอุบรยขึ้นนานมันชัดเจนขึ้นเหมือนงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประที่ไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปเปิดบอกขึ้นมาอ่อทางออกเป็นอย่างนี้วิธีดับตู้เป็นอย่างนี้ โล่งเลยทุกฝังรู้แล้วถึงด้วยถึงแล้วบอกต่อด้วยท่านจะบอกว่าท่านเนี่ยเป็นผู้รู้มรคคือมรคนยูรู้แล้วทำได้ด้วยคือมรควิทูรู้แล้วทำได้ด้วยยังบอกสอนได้อีกคือมรคโกวิโตเป็นผู้รู้มรครู้แช่งมรคฉลาดในมรคบอกสอนไว้กับเราเราพอได้รับการบอกสอน ก็ปฏิบัติตามทำตามจึงเป็นผู้เดินตามมัจคือมัคคานุกาเราเดินตามปฏิบัติตามมัจบูฟังไปตามสิ่งที่ท่านได้บอกไว้สอนไว้เหมือนเดินตามกันไปเห็นหลังท่านว่าไยไปทางนี้ของครูบาอาจารย์พระอรหันต่างๆเขาก็ไปทางนี้เราก็ตามทางนี้ไประลึกใกรกรวนไปตามเราใกรกรวนระลึกไปตามเห็นแจ้งได้นะบูฟังเห็นแจ้งได้ ให้เราตั้งสติไ่าอยู่ตลอดท้วันไม่ว่าจะยิรีบทเดินยืนนั่งหรือนอนเห็นแจ้งทำจิตให้มันคงเห็นริงไดรู้สิงไดให้ตั้งสติไว้ไม่เผลอไม่เผลนในทุกวันการต้องรวังเรามาปฏิบัติร่วมกันอย่างนี้ทางสถานีวิทยุกระจายสิ่งแห่งประเทศไทยในช่วงของจิตตะวิเวก ข้าพเจ้าพระมาหาภัยบูอ์อภิปุณโนจะมาพบกับทมูฟังเป็นประจำไม่ว่าจะทางวิทยุหรือในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ดอนหายโศก co และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุฬา่อน